คุณสมบัติในแง่ละได้และที่เป็นผลเมื่อรูปมีอยู่อาศัยรูปเพราะยึดมั่นรูปจึงเกิดทิฏฐิหรือทิษดีขึ้นดังนี้ว่าโดยในยาเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจึงเกิดทิฏฐิทิษดีขึ้นดังนี้ว่ามีใจลมพัด มีช่น้ำไหลมีช่หญิงมีคันคลอดมีช่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุทัยหรือลับไปสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตั้งคงตัวอยู่อย่างนั้นเองคำที่ว่าตั้งคงตัวอยู่อย่างนั้นเองจากบาลีว่าเอสิกถายิทิตาแปลตามศัพท์ว่าตั้งอยู่มั่นคงดังเสาระเนียดอีกอย่างหนึ่งว่า นี้ของเราเราเป็นนี่นี่เป็นตัวตนของเราอีกอย่างหนึ่งว่าอัตตาก็อันนั้นโลกก็อันนั้นเราละชีวิตนี้ไปแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาซึ่งเป็นสัตตะวาทะสำหรับในเรื่องนี้อัตตากับโลกหรืออัตมันกับสากลจักรวาล คือสิ่งเดียวกันทิฏฐิหนึ่งว่าถ้าเราไม่มีก็คงไม่มีแกเราเราจักไม่มีก็จักไม่มีแกเราทิฏฐิหรือทฤษฎีนี้จัดเป็นอุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์พระพุทธเจ้าตรัสว่าในบรรดาทิฏฐินอกพุทธศาสนาทั้งหลาย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 ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำไว้ดีไว้ชั่วไม่มีไม่มีโลกนี้ไม่มีปอนโลกมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์อุปาติกะไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปชอบปฏิบัติชอบผู้ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งโลกนี้และปอนะโลกแล้วประกาศให้ทราบไม่มีในโลกคนราวนี้มีแต่ท่าสีเมื่อใดตาย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 คำพูดของพวกที่สอนอธิกะวาธะเป็นแต่คำเปล่าคำเท็จคำพร่ำเพอ้อเพราะกายสลายทั้งพานทั้งบัณฑิตย่อมขาดศูนย์พินาศหลังจากตายไปย่อมไม่มีนี่เป็นทิฏฐิที่เรียกว่านัติกะวาธะอีกทิฏฐิหนึ่งคือ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 ฆาสัตว์ลักทรัพย์ตัดช่องล้นทั้งหมู่ล้นหลังเดียวล้นตามหนทางทำชู้เมียเขาพูดเท็จก็ดีพูดทมก็ไม่ชื่อว่าทำบาปแม้หากผู้ใดจะใช้จักซึ่งมีคมโดยรอบสังหารเหล่าสัตว์บวนผืนปฐพีนี้ทำให้เป็นลานเนื้อเป็นกองมังสะอันเดียวกันบาปที่เกิดจากการกระทำนั้นก็ไม่มีไม่มีบาปมาถึงได้ แม้หาใครจะไปยังฝ mm hmm. ั่งขวาของแม่น <BLACK> ้ำคงคาเที่ยวค่าเองบ้างใช้ใ <expectations> ห้ผู้อื Armed ่นค่าบ้างตัดเองบ้างใช้ให้ผ <Sword> ู <ness> okay. <S plant> ้อื่นตัดบ้างทำความเดือดร้อนเองบ้างใช้ผู้อื่นให้ทำความเดือดร้อนบ้างบาปที่เกิดจากการกระทำนั้นย่อมไม่มีไม่มีบาปมาถึงได้แม้หาใครจะไปยังฝั่งซ้ายของแม่น้ำคงคาให้ทานเองบ้างใช้ผู้อื่นให้บ้าง บูชาเองบ้างใช้ผู้อื่นให้บูชาบ้างบุญที่เกิดจากการกระทานั้นก็ไม่มีไม่มีบุญมาถึงได้บุญด้วยทานด้วยการฝึกตนด้วยความสำรวมด้วยการกล่าวคำสัตย์ย่อมไม่มีไม่มีบุญมาถึงได้ทิฏฐิแบบนี้เรียกว่าอักิริยะวาทะ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 สภาวะเจ็ดกองนั้นคือกองดินกองน้ำกองไฟกองลมสุขทุกข์ชีวะถึงแม้ผู้ใดจะเอาสตราคมตัดศีรษะกันก็ไม่ชื่อว่าใครปลงชีวิตใครเป็นเพียงสตราสอดเข้าไปตามช่องระหว่างสภาวะเจ็ดกองเท่านั้นเองอันหนึ่งกำเนิดประมาณหนึ่งล้านสี่แสนหมืนพัน ก ร, รม6พ0 0ละถึงอันตรกับ62อภิชาตห6ปุริสภูมิ8จนถึงนรก3 0 0พันมหากับ8ปดแ0 0มื่นเหล่านี้เป็นที่ทั้งพานและบัณฑิตท่องเที่ยวเรร่อนคือเวียนว่ายตายเกิดไปก็จะทำความจบสิ้นทุกไปเองความสมหวังว่ารอจากบ่มกรรมที่ยังไม่ออกผลให้ออกผลหรือว่าเรา สัมผัสกรรมที่ออกผลแล้วจะทำให้กรรมนั้นหมดสิ้นไปด้วยศีลด้วยพรด้วยตบะหรือด้วยพรมจรรย์นี้ย่อมไม่มีในสังสารวัตนั้นสุขทุกข์ที่ทำให้มีที่จบสิน้นเหมือนตวงของให้หมดไปด้วยทนานย่อมไม่มีในสังสารวัตได้ด้วยวิธีอย่างนี้เลยไม่มีความเสื่อมไม่มีความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลง ทั้งพานและบัณฑิตเร่ร่อนไปก็จะหมดทุกไปเองเหมือนกลุ่มได้ที่บุคคลคว้างไปย่อมคลีหมดไปเองทิฏฐินในข้อนี้จัดเข้าได้ในทิฏฐิที่เรียกว่าสัตตวาทะอากิริยาวาทะและสังสาระสุติกะทิฏฐิอีกทิฏฐินหนึ่งว่า โลกเทียงโลกไม่เทียงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะอันนั้นสริระก็อันนั้นชีวะก็อย่างสริระก็อย่างตถาคตมีอยู่หลังจากตายตถาคตหลังจากตายทั้งมีอยู่ทั้งไม่มีอยู่ตถาคตหลังจากตายมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ซึ่งรวมเรียกว่า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 ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขทูลตอบว่าเป็นทุกข์ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ยึดติดสิ่งนั้นแล้วจะพึงเกิดทิฐิอย่างนี้คือดังแสดงข้างต้นทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือทูลตอบว่าไม่เกิดเมื่อใดอริยาสาวกละความสงสัยคือกังขา ในฐานะทั้งหกเหล่านี้คือในขันห้าและในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินเป็นต้นก็ <_ S 1> จะเป็นอันละได้ซึ่งความสงสัยแม้ในทุกในสมูทัยแห่งทุกในนิโรธแห่งทุกและในปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกด้วยอริยสาวกนี้เรียกว่าเป็นโซดาบันมีความไม่ตกต่าเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนแล้วเดินหน้าสู่ความตรัสรู้ พุทธพจน์นี้แปลรวบรัดเอาแต่ความที่ไม่ซ้ำจากสังยุตตนิกายขันธวารวักในสังยุตตนิกายสลายตนาวักท่านกล่าวว่าทิฏฐิต่างๆทั้ง62ออย่างเกิดขึ้นเพราะสักกายทิฏฐิเป็นปัจจัยเมื่อไม่มีสักกายทิฏฐิทิฏฐิเหล่านั้นก็หมดไป ภิกษุทั้งหลายธรรมะหกประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทิฏฐิสำบันบุคคลคือผู้มีสัมมาทิฏฐิเพียบพร้อมหมายถึงพระโสดาบันธรรมะหกประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทิฏฐิสำบันบุคคลละได้แล้วกล่าวคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปตปรามาธราคะที่ให้ถึงอบายโทสะที่ให้ถึงอบาย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 ที่จะอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในธรรมะในสงฆ์ในศิกขาที่จะยึดถือสิ่งที่ไม่ควรถือที่จะยังพบที่ปาดให้เกิดหมายเหตุผู้อ่านคือหมายถึงพระโสดาบันจะเกิดอีกได้ไม่เกินเจ็ดชาตินะครับภิกษุทั้งหลาย มีอาภาพฐพานะหบประการดังนี้กล่าวคือทิฐิสัมบันบุคคลเป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะยึดถือสังขารไร่ไรโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอัตตาที่จะกระทําอนันตริยกรรมที่จะเชื่อถือความบริสุทธิ์ด้วยมงคลตื่นข่าวที่จะสแสวงหาทักขินัยนอกหลักคาสอนนี้ อภพฐานะอีก6ได้แก่ที่จะปลงชีวิตมารดาที่จะปลงชีวิตบิดาที่จะปลงชีวิตพระอระหันต์ที่จะมีจิตประทุษร้ายต่อพระตถาคตถึงกับทำพระโลหิตให้ห้อที่จะทําลายสงฆ์คือสังฆเภทและที่จะถือศาสดาอื่นอภพัานาอีกหกได้แก่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 ข้อที่ไม่ได้เชื่อถือดังนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะว่าิติสำบัญบุคคลมองเห็นชัดเจนดีแล้วทั้งเหตุและธรรมะที่เกิดแต่เหตุสำหรับในเรื่องนี้พึงเทียบกับอภพฐานะเก้า 9, และห้าอย่างของพระอรหันต์ในทีคานิกายปาติกวักเช่นว่าพระอรหันต์ตะขี น, นาศ ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะจงใจปลงชีวิตสัตว์เทียบกับของพระโสดาบันซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะปลงชีวิตมารดาและอื่นๆพุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมะห้าอย่างได้ จึงเป็นผู้มีทางเป็นไปได้ที่จะประจักษ์แจ้งโสดาปติผลคืออาวาสามัจริยะกุลมัจริยะลาภามัจริยะวันนามัจริยะและธรรมมัจริยะสำหรับปฐมฌานขึ้นไปจนถึงจตุตถาฌานและสากากทาคามิผลถึงอรหัตพลก็อย่างเดียวกัน มีมาในอังกุตรนิกายปัญจการนิบาทและในสูตรต่อไปในที่มาเดียวกันนั้นมีความอย่างเดียวกันแต่เปลี่ยนธรรมะมัชริยะเป็นอากตานุตาอากตาเวทิตาในคราวคัดเลือกพระเถระเพื่อทำสังคยนาครั้งที่หนึ่ง ประธานได้คัดเอาแต่พระอาหารหันต์499รูปและได้เลือกเอาพระอานน์เข้าร่วมเป็นรูปที่500ทั้งที่ท่านยังเป็นเศคะนอกจากเพราะเหตุที่ท่านได้เรียนทำมาวินัยไว้มากในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็เพราะท่านเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะถึงอคติเพราะชอบชังหลงหรือกลัว พระเจ้ามหานามาสกยะประทับนั่งณัทที่ควรข้างหนึ่งแล้วกราบทูลความนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนคร ก, กบิลพัฒน์นี้มั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองมีประชาชนมากผู้คนจอแจถนนก็แออัดยัดเยียดหม่อมชั้นมานั่งใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคหรือพระภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจแล้วถึงเวลาเย็น เมื่อกลับเข้าสู่พระนครกะ บ, บิลพัดย่อมผ่านพบช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างเกวียนบ้างคนบ้างซึ่งไปมากันขวักไขวเวลานั้นสติของหม่อมชันที่ปรารบพระผู้มีพระภาคก็เผลอไปสติปรารบพระธรรมก็เผลอไปสติปรารบพระสงฆ์ก็เผลอไปหม่อมชันจึงมีความดรฤตดังนี้ว่า ถาเราสิ้นชีวิตลงในเวลานี้กติของเราจะเป็นอย่างไรที่ไปข้างหน้าคืออภิสัมปรรยะของเราจะเป็นอย่างไรอย่ากลัวเลยท่านมหานามะพระองค์จะมีมรณกรรมไม่เลวร้ายจะมีการลกิริยาไม่เลวร้ายท่านมหานามะบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามมีจิตที่อบรมบ่มแล้วด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยสุตตะ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 สัตว์ต่างชนิดบ้างก็ยอมกัดกินกายนั้นไปส่วนจิตของเขาซึ่งอบรมบ่มแล้วด้วยศรัทธาอบรมบ่มด้วยศีลสุตตะจาระและปัญญามาแล้วตลอดเวลายาวนานจิตนั้นย่อมเป็นสิ่งไปสูงไปวิเศษอย่ากลัวเลยท่านมหานามาท่านจากมีมรณกรรมที่ไม่เลวร้ายจะมีการละกิริยาที่ไม่เลวร้าย อริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการคือโสดาปฏิยังคาสีย่อมเป็นผู้เอนไปหานิพพานโน้มน้อมไปหานิพพานภิกษุทั้งหลายอา น, นิสงส์ในการประจักษ์แจ้งโสดาปฏิพลหประการดังนี้กล่าวคือบุคคลนั้นเป็นผู้แน่นอนในสัจธรรม เป็นผู้มีความไม่เสื่อมถอยเป็นธรรมดาทุกของเขาถูกจำกัดขอบเขตแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยญาณที่ไม่สาธารณะเป็นผู้มองเห็นเหตุชัดเจนดีแล้วและมองเห็นธรรมะที่เกิดจากเหตุชัดเจนดีแล้วข้อความว่าทุกของเขาถูกกำจัดขอบเขตแล้วแปลตามรูปศาบว่า ทุขของเขาถูกกระทาให้มีที่สิ้นสุดแล้วข้อความนี้ในพระไตรปิฎกฉบับของไทยจากอังคุตรานิกายจากกนิบาทมีนะซึ่งเข้าใจว่าเกินเข้ามาฉบับของพมา่าไม่มีบุคคลผู้เป็นทิฏฐิสำบันพ้นล้าจากอบายอันใหญ่โต ยอมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกหนีสมุทัยแห่งทุก์นีนิโรธแห่งทุก์นี้ปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกเพราะฉะนั้นแหละพวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุก์จนถึงนี้ปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกจากสังยุตตนิกายมหาวารวักต้นสูตรนี้ ได้เปรียบเทียบให้เห็นความยิ่งใหญ่ของอบายและในอีกสูตรหนึ่งได้ตรัสเปรียบเทียบระหว่างพระเจ้าจักรพรรดิกับอริยาสาวกโสดาบันว่าพระเจ้าจักรพรรดิแม้จะครองราชเป็นอิสราธิปดีทั้งสี่ทวีปและสวรรคตแล้วไปสวยทิพยสมบัติในสวรรค์แต่ไม่เป็นโสดาบันก็ไม่พ้นจากนรกไม่พ้นจากอบายส่วนอริยาสาวกผู้เป็นโสดาบัน แม้จะเลี้ยงชีพด้วยก้อนข้าวที่เดินบินทบาดได้มานุ่งห่มผ้าปอนปอนแต่ก็พ้นจากนรกพ้นจากอบายภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนว่าถ้ามาหาสมุทรพึงถึงความเหือดแห้งหมดสิ้นไปเหลือน้ำอยู่เพียงสองถึงสาหยดเธอทั้งหลายจะเห็นอย่างไรอย่างไหนจะมากกว่ากัน น้ำในมหาสมุทรที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปแล้วหรือว่าน้ำสอ ง, งสมหยดที่ยังเหลืออยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในมหาสมุทรที่เหือดแห้งหมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละมากกว่าน้ำสอ ง, งสมหยดที่ยังเหลืออยู่มีนิดหน่อยไม่ถึงเศษร้อยไม่ถึงเศษพันไม่ถึงเศษแสนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสาหรับบุคคล ผู้เป็นอริยาสาวกเป็นทิฏฐิสัมบันฑบรรลุธรรมแล้วความทุกข์ส่วนที่หมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละมากกว่าส่วนที่เหลืออยู่มีนิดหน่อยไม่ถึงเศษ ร, ร้อยไม่ถึงเศษพันไม่ถึงเศษแสนคือมีพบเพียงเจ็ครั้งเป็นอย่างยิ่งธรรมาพิสมัยคือการบรรลุธรรมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้การได้ธรรมาจากสุข มีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นข้อความตอนหนึ่งในสังยุตตานิกายนิทานวักซึ่งเปรียบเทียบระหว่างความทุกข์ส่วนที่เหลืออยู่ของพระโสดาบันกับส่วนที่หมดไปแล้วอีกหลายนัยยะคือว่าเหมือนฝุ่นที่ปลายเล็บกับพื้นแผ่นดินทั้งหมดเหมือนน้ำที่ติดปลายยาคากับน้ำเต็มสระโบครณีที่กว้างยาวลึกด้านละ50ิโยชน์ เหมือนก้อนดินเท่ า, มาเมล็ดกระบาวเจ็ดก้อนกับมหาปัตตภีเหมือนก้อนหินเท่ า, มาเมล็ดพันผักกา7เจ็ดก้อนกับคุณเขาหิมวันรวมทั้งหมดสิบสูตรสั้นๆพระสูตรชุดเดียวกันนี้มาในสังยุตตินิยมหาวารวักด้วยต่างกันเพียงคำสรุปเปลี่ยนเป็นว่าสำหรับบุคคลผู้เป็นอริยาสาวกเป็นทิฏฐิสัมบัญ บรรลุธรรมแล้วผู้รู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกจนถึงนี้ปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกทุกที่สิ้นไปหมดไปแล้วนั่นแหละมากกว่าส่วนที่เหลืออยู่มีนิดหน่อยไม่ถึงการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ เ, เสี้ยวคือภาวะที่มีพบเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นและเธอทั้งหลายพึงทาความเพียรเพื่อรู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกจนถึงนิปฏิปทาให้ถึงนิโรธแห่งทุกข์และมีสูตรเพิ่มมากขึ้นไปอีกสองสูตรใช้ก้อนหินขนาดเท่ า, มาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนกับขุนเขาซินเนรุเป็นเครื่องเปรียบเทียบความทั่วไปไม่มีอะไรแปลกในกฎการนิกายอุทานมีพุทธพ์ว่า การมาสุขในแดาโลกก็ดีสุขที่เป็นทิพย์ก็ดีทั้งหมดนั้นมีค่าไม่ถึงเสเซียวที่ส6บหแห่งความสุขที่ได้เมื่อกระสยตัณหาความสุขที่ได้เมื่อกระสยตัณหาแปลาจากตัณห์ขยะสุขในสังยุตตนิกานิทานวัรรมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลาย ถาบุรุษวางก้อนหินเท่ า, มาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนไว้ที่คุณเขาซิเนรุเธอทั้งหลายจะเห็นอย่างไรก้อนหินเท่ า, มาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนที่บุรุษวางไว้กับคุณเขาซิเนรุอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคุณเขาซิเนรุนั่นแหละมากกว่าภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันคุณนวิเศษที่ได้บรรลุ ของสมณพราหมณ์ปริพาชคชาวลัทธิอื่นๆทั้งหลายเมื่อเทียบกับผลที่ได้บรรลุของบุคคลผู้เป็นอริยส า, าวกซึ่งเป็นทิฏฐิสัมบัณย่อมไม่ถึงเสเสี้ยวที่ร้อยเศสเสีเส้ยวที่พันเศสเสีเส้ยวที่แสนทิฏฐิสัมบันบุคคลมีผลที่บรรลุยิ่งใหญ่อย่างนี้มีอภิญญายิ่งใหญ่อย่างนี้